บทที่ส0บทะเลในโลกทิพย์เมื่อเราได้สนทนากันอยู่สักครู่หนึ่งรูธก็ได้เอ่ยถามเอ็ดวินด้วยเรื่องที่ข้าพเจ้าเองก็นึกใครจะถามอยู่นานมาแล้วเช่นกันคือในโลกทิพย์นี้จะมีทะเลหรือมหาสมุทรบ้างหรือไม่เพราะเธอเคยคิดเอาเองว่าในเมื่อยังมีภูเขาลำทานได้ก็น่าจะมีทะเลได้เช่นเดียวกัน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 อย่างที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยเป็นสนามหญ้ากว้างลาดขึ้นไปหาเนินสูงซึ่งอยู่ไม่ไกลออกไปนักโดยรอบมีพันไม้ดอกนานาชนิดประดับอยู่เป็นระยะเมื่อประกอบกับพื้นหญ้านุ่มและเขียวขจีทำให้รู้สึกว่าเป็นลนักษณะของสวนดอกไม้ที่มีค่าของความงามเกินคำชมใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราเดินมาถึงยอดเนิน ภาพของทะเลหลวงก็ปรากฏชัดแกสายตาท่านอาจจะเคยเห็นท้องทะเลในโลกมนุษย์มาหลายครั้งแล้วก็จริงแต่ข้าพเจ้าก็คิดว่าจะไม่มีหน้าที่แห่งใดเท่าเทียมภาพที่ปรากฏอยู่หน้าเบื้องหน้าเรานี่เลยสีน้ำเงินของพื้นน้ำดูเหมือนจะเป็นเงาฉายของสีท้องฟ้าอย่างแท้จริงและยิ่งเมื่อพิจารณาดูละลอกบนพื้นน้าด้วยก็จะลายเห็นสมเงินเป็นสีรุง้งฉาบลายอยู่โดยทั่วไป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 และก็จะรู้สึกได้ทันทีว่ามีความอ่อนนุ่มต่อการสัมผัสผิดกับสายทุกคนทุกแห่งในโลกมนุษย์อย่างที่เปรียบไม่ได้เลยโดยเฉพาะเมื่อเราปล่อยให้ไหลผ่านซอกนิ้วมือไปก็จะรู้สึกว่าไม่มีความแข็งหรือสากเลยแม้แต่น้อยเอ็ดวินได้กล่าวว่าถ้าเราพิจารณาดูสรรพสิ่งทั้งหลายโดยรอบตัวเราอย่างใกล้ชิดและถี่ถ้วนเช่นนี้แล้ว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 และมีความเป็นกันเองเหมือนกันหมดไม่มีการถือพวกเขาพวกเราแต่อย่างใดเลยกล่าวแล้วเอ็ดวินก็ส่งกระแสจิตไปยังเจ้าของเรือยอดลำ้ำงามลำหนึ่งซึ่งจอดทอดสมออยู่ไม่ไกลนักและในขณะต่อมาก็ได้รับคำเชิญพวกเราทุกคนจากเจ้าของเรือผู้ใจดีด้วยความยินดีเราก็ไม่รอชักช้าเหมือนกันเพราะในขณะต่อมา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 บางทีก็ยังรู้สึกเสียดายดยอาศัยความเคยชินในโลกมนุษย์จึงมีสมอไว้เพื่อให้ครบเช่นนั้นเองมชฉ น, นั้นใจของเขาจะรู้สึกไปเองว่ายังมีเครื่องอุปกรณ์ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรจะมีบนดาดฟ้ามีที่ว่างมากมายพอที่จะนั่งเล่นหรือนอนเล่นได้อย่างสบายโดยไม่มีเสียงใดมาทำให้เก ก, กากีดขวางเลยรูดูเหมือนจะผิดหวังอยู่บ้าง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 เนื่อไม่เห็นว่าเรือลำนี้ค่อยๆแล่นออกจากที่จอดแล้วเร่งความเร็วขึ้นทุกขณะเราพากันวิ่งไปที่ข้างเรือเพื่อจะพิสูจน์ความรู้สึกให้เห็นชัดด้วยสายตาก็เป็นจริงดังนั้นบัดนี้เรือของเรากําลังแล่นออกห่างจากฝั่งมาทุกทีท่านเจ้าของเรือและเอ็ดวินหัวเราะอย่างรื่นเริงเมื่อเห็นท่าทางตื่นเต้นของเราเช่นนั้นเมื่อเราถามถึงเหตุผล ท่านก็ได้กรุณาชี้แจงให้ฟังอย่างชัดเจนพลังของความคิดหรือการอธิษฐานจิตเป็นสิ่งที่ภัยารไม่มีขอบเขตในแดนนั้นเป็นทิพนี้ท่านกล่าวขึ้นและดังนี้เรายิ่งใช้กระแสรวมเพ่งไปหน้าที่ใดมากขึ้นเพียงใดพลังของมันก็มากขึ้นเพียงนั้นการไปไหนมาไหนของพวกเราในแดนนี้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 คือบังคับการเดินเรือด้วยกําลังจิตของเราได้ในจับพลันอยู่แล้วแต่ในเรื่องเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าใครใคก็สามารถจะกระทําเช่นว่านี้ได้เสมอไปเพราะเรื่องเช่นนี้ค่อนข้างจะเป็นศิลปะที่ต้องการเวลาและการฝึกหัดประกอบกับใจรักทางนี้อยู่ด้วยเหมือนกันจึงจะทําทได้มีผลดีความจริงข้อนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นประจักษ์ชัดอย่างยิ่งว่า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 ความดีอีกประการหนึ่งของการเดินทางมาในเรือเช่นนี้ก็คือเราจะไม่รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเลยเราเมื่อไม่มีเครื่องจักรเป็นตัวการเสียแล้วปัญหาเช่นว่านั้นก็หมดไปเมื่อเรือยิ่งแล่นใกล้เกาะเข้าไปรูทก็ยิ่งแสดงอาการตื่นเต้นยิ่งขึ้นภรรยาของผู้เป็นเจ้าของเรือนั้นเมื่อเห็นกิริยาของรูก็อดที่จะปล่อยตื่นเต้นไปด้วยไม่ได้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 ไม่มีตัวไหนที่แสดงความหวาดกลัวเราเลยแม้ในเมื่อพวกเราขึ้นจากเรือเดินลัดลาะไปตามชายฝั่งมันก็เดินตามเรามาเต้ยๆต้อยอย่างน่าเอ็นดูหากเราแบมือยื่นออกไปเจ้าตัวเล็กๆบางตัวก็ขึ้นมาเกาะบานฝ่ามืออย่างสนิทสนมดูเหมือนจะรู้ว่าไม่มีภัยอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นแก่มันได้เลยซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นในดินแดนอันผาสุขสงบนี้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 ผู้ซึ่งเพลินอยู่กับการชมภูมิประเทศอันสวยสดงดงามและได้สดับเสียงเพลงแห่งธรรมชาติคลออยู่ตลอดเวลาเช่นนี้นั้นเป็นความผาสุกและอิ่มเอิบอย่างสูงจนหาคำบรรยายทีเท่าเทียมไม่ได้จริงๆความประหลาดใจอีกประการหนึ่งก็คือว่ากระแสจิตของพวกเรากับสัตว์เหล่านี้ดูเหมือนจะส่งถึงกันและเข้ากันได้เป็นอย่างดีเมื่อเราร้องเรียกนกตัวใด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 โลกของตนเท่านั้นที่มีความสวยสดงดงามต่อเมื่อเขาได้ละกายเนื้อผ่านเข้ามาสู่ดินแดนเช่นนี้แล้วเท่านั้นที่เขาจะได้เห็นความจริงว่าความสวยสดงดงามของธรรมชาตินั้นวิจิตพิสดารและยิ่งใหญ่เพียงใดระหว่างทางเราได้พบบุคคลบางคนเดินสวนทางมาเขาเหล่านั้นได้ทักทายเราด้วยอัธยาศัยแมตรีอันดี รู้สึกว่าบุคคลเหล่านี้มีชีวิตอันสงบสุขอยู่กับธรรมชาติและนกเป็นอย่างดียิ่งเราได้รับคำบอกเล่าว่าสัตว์บนเกาะนี้มีนกอย่างเดียวเท่านั้นทั้งนี้ไม่ใช่ว่าหากมีสัตว์อื่นเข้ามาปะปนอยู่ด้วยแล้วบรรดานกเหล่านั้นจะได้รับอันตรายก็หาไม่ได้เพราะอันตรายแห่งชีวิตนั้นเป็นของที่หาไม่ได้ในสถานที่เช่นนี้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 เราได้กล่าวคำขอบคุณและอำลาท่านผู้เป็นเจ้าของเรือผู้ใจอารีด้วยความอาลัยและสัญญาว่าจะหาโอกาสมาเยี่ยมเยียนใหม่ให้ได้ในโอกาสหน้าอันสมควรหมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้บันทึกเสียงมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่เทวดาสงสัยว่าทำไมเรือไม่มีเครื่อง และเที่ยวเดินหาและต้องถามให้รู้มองดูแล้วอาจเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคนที่วิปัสสนาสนจิตถอนความยึดติดในวัตถุทางโลกมาได้ระดับหนึ่งจะเห็นชัดนะครับว่าเรื่องจำนวนมากในสวรรค์นั้นค่อนข้างไร้สาระหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องน่าสงสัยรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์การบรรลุธรรมมีคำจำกัดความหนึ่งว่าสิ้นสงสัยหากยังสงสัยแม้ในวัตถุที่หาสาระไม่ได้ ก็คงอีกกลนะครับกว่าจะเลื่อนขั้นไปสิ้นสงสัยในนามาธรรมที่ลึกกว่านั้นมากดังนั้นตอนเป็นมนุษย์คือสภาพที่ฝึกตนเองได้ดีที่สุดเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตประจําวันควรหมั่นพิจารณาให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นอย่างที่บางท่านใช้พิจารณาสิ่งที่ได้พบเจอว่าสิ่งนั้นเป็นรูปหรือเป็นนามรู้ระวาง ระาวางไม่ได้เกิดชอบเกิดชังเกิดสงสัยในสิ่งที่รู้เห็นก็ให้รู้ตามจริงว่าขณะนี้ความรู้สึกชอบหรือชังหรือสงสัยเกิดขึ้นในจิตโดยไม่ปรุงแต่งต่อจะเกิดสติตัวจริงและจะเห็นภาวะในใจนั้นดับไปตรงหน้าหรือ ค, ค่อยๆลดระดับลงถ้าพิจารณาเป็นจะเห็นชัดนะครับว่าความคิดนี้ความรู้สึกนี้จิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่คงทน เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ซึ่งเมื่อจิตรู้เห็นตามจริงแบบนี้จะเป็นเหตุให้ถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกายใจลงได้ตามลําดับสิ่งนี้เรียกว่าการเจริญสติดูจิตดูกายที่เป็นวิปัสนาปัญญาเป็นบุญขั้นสูงสุดที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์รู้แจ้งในธรรมที่ควรใส่ใจฝึกฝนปฏิบัติให้ได้เพราะทําได้ทุกคนทุกเวลาซึ่งพบแห่งความเป็นมนุษย์เป็นพบเดียวที่เจริญสติได้ดีที่สุด จึงไม่ควรปล่อยโอกาสนี้ไปนะครับมีข้อแนะนำว่าก่อนจะสงสัยอะไรควรถามตัวเองให้ชัดก่อนว่ารู้แล้วได้อะไรชีวิตดีขึ้นหรือไม่มีประโยชน์กับการงานในอาชีพที่ทำหรือเปล่าสำคัญที่สุดก็คือรู้แล้วดับทุก์รู้แจ้งสถถัตธรรมลดความยึดมั่นในอัตตาตัวตนได้หรือไม่หากทำเป็นประจำจนติดปณนนิสัยตายไปเป็นเทวดา ก็จะได้ไม่ต้องมัวสงสัยเรื่องที่ผิดปกติกับชีวิตในโลกและต้องตามสืบหาความจริงให้เสียเวลามีเรื่องจริงที่เคยเจอมือ ก, กับตัวเองเกี่ยวกับความสงสัยที่อาจเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะครับว่าความสงสัยนั้นอาจทำร้ายคนตายได้มากกว่าที่คิดคือมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเคยขับรถพาเพื่อนไปตายแล้วด้วยเขากลัวความผิดนะครับจึงโยนให้คนตายเป็นผู้ขับวันหนึ่งเขาไปทาบุญ เจอคนที่วัดทักว่ามีคนเดินตามซึ่งเขาบอกลักษณะและบอกเรื่องราวทั้งหมดได้ถูกต้องก็จึงเรียรู้ว่าเป็นเพื่อนของพี่เขาสอบถามทางจิตเขาพบว่าที่เดินตามมาตลอดเพราะสงสัยว่าเขาไม่ได้ขับรถแต่ทาไมถึงบอกตารวจว่าเขาขับก็เลยติดใจข้่องใจมากและก็ได้เดินตามเพื่อจะหาคาตอบจากพี่เขามาเป็นสปีแล้วจะเห็นได้นะครับว่าความสงสัยที่ไม่รู้จักวาง ไม่เจริญสติตัดความสืบต่อของอารมณ์ให้ขาดส่งผลเสียได้มากกว่าที่หลายคนเข้าใจแทนที่จะได้ไปเสวยสุขในภพภูมิที่ดีกว่านั้นก็เสียเวลาเดินตามอยู่นานเพื่อจะได้คําตอบที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตใครดีขึ้นเลยในเรื่องของการสแสวงหาความสุขอยากเที่ยวทะเลก็เป็นกิเลสตัณหาที่ฟังอยู่ในจิตต้องการสิ่งตอบสนองจะเห็นได้ว่า ทั้งความอยากได้ใกล้ดีอยากเสพสุขต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่ควรถอนออกและกำจัดให้ได้ตั้งแต่ในโลกมนุษย์ท่านถึงว่าการเป็นค า, ารวาดนั้นมีข้อดีเยอะพอสมควรและการปฏิบัติธรรมในขั้นต้นอาจไม่จำเป็นต้องบวชหลายคนอาจได้ผลดีกว่าไปบวช ด, ด้วยซ้ำเพราะได้ระบายกิเลสที่เก็บกดไว้เป็นระยะเราปฏิบัติธรรมขณะใช้ชีวิตปกติได้โดยการเจริญสติ ที่ทำได้ทุกวัยทุกเวลาทุกอาชีพยิ่งยุ่งการงานก็ยิ่งทําได้ง่ายยิ่งทุกใจก็ยิ่งทําได้ง่ายเพราะเห็นได้ชัดการขยันในอาชีพการใส่ใจในการดูแลสุขภาพล้วนเป็นวินัยที่สําคัญเป็นการฝึกตนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยแค่กินผักที่เป็นประโยชน์ยังกินไม่ได้ยังตามใจปากไม่ห้ามใจในอาหารที่ก่อโทษหรือเกินพอดี ก็จะไปหวังอะไรกับการสู้กับกิเลสละเอียดที่มองไม่เห็นนะครับการประสบความสาเร็จในชีวิตหน้าที่ ก, การงานจะทำให้จิตสิ้นสงสัยในสุขทั้งโลกได้ง่ายกว่าการได้กินเที่ยวได้มีได้เป็นอะไรที่ต้องการจะตัดใจขาดจากโลกได้ง่ายขึ้นแต่ก็ต้องพิจารณาเป็นด้วยนะครับเราเห็นชัดว่าสุขพวกนี้ไม่ใช่สุขที่แท้จริงทำให้ตั้งมั่นในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นเหมือนที่พระพุทธเจ้า ทรงมีทุกอย่างพร้อมเมื่อทรงออกผนวดจึงสิ้นสงสัยกับสุขทั้งโลกได้ไง่ายเรจตีต่างชาติหลายคนนะครับก็ยังทิ้งสมบัติมาบวชวัดป่าในไทยความอยากได้และยังไม่สนองความต้องการของตัวเองได้อีกทั้งก็ไม่รู้วิธีจัดการจนเกิดความสิ้นสงสัยได้ก็ทําให้หลายคนต้องเวียนเกิดตายซ้ำซากเพื่อสนองความต้องการที่อยู่ลึกในใจให้ได้รู้เห็นด้วยตนเองจนสิ้นสงสยัยจึงจะวางได้ ราบใดไม่สิ้นสงสัยก็ต้องเวียนกลับมาเกิดตายไม่จบสิ้นอยู่เรื่อยไปเช่นนี้เองอาจมีคนค้านว่าพระดีจำนวนมากท่านกระบวดแต่เป็นเนนไม่เคยผ่านทั้งโลกทำไมยังบรรลุธรรมถึงทาได้ง่ายก็ต้องข้อใจนะครับว่าท่านมีท่านเป็นอะไรมาหลายชาติแล้วกว่าจะบรรลุในชาตินี้ท่านผ่านประสบการณ์สะสมมจนโชคชนก่อนแล้วพอถึงชาติจะบรรลุธรรมเกิดใหม่ก็บวชแต่เด็ก ตั้งมั่นในเพศบรระชิตตัดใจเรื่องการมาสุขได้ง่ายกว่าพวกเราเป็นธรรมดานะครับทางนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะแนะนำว่าทุกคนไม่ควรไปบวชแต่ทุกคนถ้าม่หลอกตัวเองก็ย่อมรู้ตัวเองดีว่าจริตปัญญาบา ร, รมีของเราถึงระดับไหนก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกับตัวเองจเจริญสติทําบุญศึกษาไปจุดหนึ่งจะรู้ชัดนะครับว่าเราควรบวชหรือไม่พร้อมจะสละโลกได้จริงหรือเปล่า เพราะการฝืนธรรมชาติของตัวเองสุดท้ายจากเจตนาดีตั้งมั่นสูนิพานกันจริงที่สุดมากลายเป็นปราชิกหรือสร้างเวรกรรมหนักก็มีปรากฏไมาเห็นแล้วมากมายนะครับสำหรับเรื่องนกหรือสัตว์เดรัจฉานในสวรรค์ น, นั้นมีคำอธิบายในหนังสือชุดเดียวกันที่จะจัดทำเร็วๆนี้นะครับเบื้องต้นคือขอให้เข้าใจว่าในพระไตรปิฎกก็มีการระบุถึงสัตว์เดรัจฉานที่เป็นประเภทกายทิพย์ หรือโอปปาติกะเช่นเดียวกันพญานาคคือหนึ่งในกำเนิดแบบนี้นะครับแต่คนส่วนใหญ่อีกมากยังไม่เข้าใจว่าท่านเป็นประเภทกายทิพย์ไม่ใช่กายเนื้อที่เหลือให้เกิดรอยแล้วชอบไปกราบไหว้กันและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือตาเนื้อต้องเห็นด้วยตาในเท่านั้นและต้องแยกแยะนะครับว่าเรื่องในชาดกที่บางครั้งเป็นการเปรียบเทียบเราให้เห็นภาพ จึงทำให้บางอย่างต้องเป็นตัวตวนจับต้องได้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นแบบนั้นจริงๆกรณีถ้าจะมาในรูปงูใหญ่จริงตัวอย่างเช่นงูใหญ่เฝ้าของบางอย่างในบางสถานที่ท่านว่าเป็นโอปปาติกะที่มีความหวงสถานที่หรือสิ่งของบริเวณนั้นแล้วเพ่งกระแาจิตดลใจให้งูนั้นเลยมาแสดงตัวเพื่อขู่ให้คนกลัวและบางทีสัตว์ที่มาปรากฏ อาจเป็นเทพนิมิตขึ้นมาก็ได้เช่นกรณีเสือโครงตัวใหญ่มาปรากฏให้พระกรรมฐานสายลงปู่มั่นได้พบหลายครั้งซึ่งมาในลักษณะที่สมจริงเห็นได้ด้วยตาเนื้อเรื่องพวกนี้มีปลิกย่ออีกมากคิดท้าจะบูชาอะไรก็ควรสนใจศึกษาให้มากพอให้เข้าใจถูกต้องตรงทางด้วยนะครับ